ปัตนีจักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับได้พูดถึงเรื่องของอวิชชาซึ่งเป็นรากงาของสัพบกิเลสทั้งหลายในกรณี น, นี้เป็นการพูดในหัวข้อว่าสังโยชน นี่แปลว่ากิเลส ท, ที่ผูกมัดรัดใจของคนของสัตว์เอาไว้สามารถดูดรอดจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนถึงความทุกข์ในสังสารวัฏอวิชานั้นโดยภาษาที่แปลกันก็แปลว่าความไม่รู้ ร, ออระดับหนึ่งก็เป็นความรู้ที่ไม่จริงีระดับหนึ่งเป็นความรู้ที่ ไม่ตลอดสายหมายความว่าอาจจะเกิดความรู้ในจุดหนึ่งแต่ไม่เกิดความรู้อีกในหลายๆจุดซึ่งเวลาจำแนกแสดงนั้นท่านจำแนกแสดงไปที่อวิชชาแปดประการคือไม่รู้ในทุกไม่รู้เหตุได้กิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดเป็นกระบวนการของชีวิตที่มีความเชื่อมต่อถึงกันซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาเกิดความรู้ขึ้นจริงที่ตอนอธิบายเรื่องสมาธิ ที่เป็นผลรวมของการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคทั้งแปดระการสมาธิิคือปัญญาในชอบที่ปรากฏขึ้นภายในใจเป็นระดับของญาณนั้นปรากฏวรารู้เฉพาะอริยสี่ตานั้นเองอีกสีอย่างข้างหลังซึ่งกล่าวว่าไม่รู้ก็ถูกรู้ตามไปเลยตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องอดีตก็ดีอนาคตก็ดีทั้งอดีตอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตละปัจจุบันก็ดีเป็นกระบวนการของชีวิตเป็นกระแสาการเลื่อนไหลของทุกสมุทัยนิโรธมรรคกนันเองละตัวปฏิจจสมุปบาทเองเล่าก็คืออริยสัจในสายเกิดนั้นเป็นการเน้นเรื่อง ของทุกขสัตว์กับสุมทุทยสัตว์ในสายดดับนั้นเป็นการเน้นที่มรรคสัตว์และนิโรธสัตว์ก็ทําเห็นว่าความไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้อริยรสัจสีตามความเป็นจรงิงเพิงสังเกตว่าเวลาเรียงเข้าหลายระดับก็จะเห็นได้ชัดว่าแม้ความรู้ที่เกิดขึ้น ก็คงเป็นความรู้ที่ออยังไม่จริงหรือบางครั้งรู้จริงในบางระดับแต่บางระดับก็ยังรู้ไม่จริงในจุดที่ยังไม่รู้ก็คงเกิดเป็นปัญหาขึ้นสำหรับท่านบุคคลเหล่านั้นอย่ตัวอย่างพระยาบุคคลระดับที่เป็นประสูติบัณ์แล้วก็ถือว่าเป็นรู้จริงในจุดหนึ่งแล้ว ในส่วนที่ท่านรู้จริงนั้นท่านกจัดกิเลสได้ขาดปัญหาตรงนี้จึงไม่มีแต่ในขณะเดียวกันมีอีกหลายส่วนที่ท่านยังรู้ไม่จริงเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นในจุดนั้นท่านก็มีปัญหาเช่นเดียวกับสามัญชนเพียงแต่อาจจะลดน้อยความรุนแรงลงไปตัวอย่างอย่างที่เคยเล่าที่ นาวิสาขาหมาอุบาสิกาหลานตายก็ร้องห่มร้องให้เพราะปิยวิปโยคคือการพลัดพรากสูญเสียบุคคลนั้นเป็นท่รักเราแสดงว่าตรงนี้ท่านยังมีปัญหาเพราะอะไรเพราะความรู้ในตัวทุกข์สัตว์ที่แสดงถึงสัจจะแห่งชีวิตว่าทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ความตายนั้นที่จริงติดมันแกีับความเกิดเพราะฉะนั้นคนจึงตายอยู่ทุกช่วงของชีวิตบางครั้งอาจจะรวดเร็วถือปฏิสนธิในคันมันดามันดายังไม่รู้ว่ามีสัตว์มาถือปฏิสนธิในคันเด็กก็ตายไปแล้วก็แสดงว่าจริงๆความตายมันก็แฝงเร้นอยู่แล้วพร้อมที่จะปรากฏคนจึงตายอยู่ทุกวัยแล้วก็ตายอยู่ทุกวันแล้วก็ตายอยู่ทุกนาที แต่ความรู้ตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่เพราะราไรเพราะท่านยังสละกิเลสประเภทระดับการมราคะยังไม่ได้เมื่อกิเลสประเภทการมราคะยังมีอยู่ความกหลัดความเพลิดเพลินความยึดติดในคนในสัตว์ในสิ่งที่เราชอบก็คงมีอยู่ถ้าสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่โดยปกติเราก็สบายใจ สิ่งเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าเราก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีเราได้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเราก็มีความสุขจากการได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นพลาดพราดสูญเสียไปเราเกิดเศร้าโศกเสียใจคันนี้แสดงเห็นว่าตรงนี้ก็คือรู้จริงไม่ตลอดมันมีปัญหาในจุดที่ยังไม่รู้ ในจะแก้ปัญหานในจุดที่รู้แล้วได้ก็ตามดังนั้นจะเห็นว่าในกรณีที่ไม่รู้จริงคือมืดบอดจริงๆที่เขาเรียกว่าไรา้เดียงสาไม่รู้บาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์พฤติกรรมของมนุษย์เราจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าสัตว์จรจัดเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาสินี คือมองกันเป็นสัตว์จะต้องไล่ล่าเข่นฆ่าทำลายล้างกันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆก็รู้เห็นกันอยู่ว่าเป็นเหมือนกับการสาดโครนใส่กันต่างคนต่างบาดเจ็บต่างคนต่างล้มตายต่างคนต่างก็สูญเสียและสิ่งที่เราจะต้องได้รับจริงๆต้องได้จริงๆเป็นสมบัติของเราจริงๆปรากฏว่าเป็นบาปที่เกิดขึ้นจากการเข่นฆ่าทำลายล้างกัน สิ่งที่เราไปยื้อแย่งต่อสู้ปราดพรานคนอื่นได้มานั้นเป็นสมบัติสาธารณะที่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายบางอย่างอาจจะเป็นประจักษ์พยานในการที่จะนำเราเข้าไปสู่อำนาจของกฎหมายแต่กว่าสิ่งเหล่านั้นได้มาด้วยความโลภที่รุนแรงจะถึงเบียเดเบียนทำลายล้างกัน ถ้าเรอนี้เป็นข่าวคราวปรากฏทุกวี่ทุกวันแล้วไม่ใช่จุดใด จ, จุดหนึ่งของโลกแต่ว่ามีเกือบจะทุกทุกจุดของโลกเห็นแต่จะมีรายงานขึ้นมาหรือไม่เท่านั้นเองจุดนี้แสดงเห็นว่าคนที่ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ไม่สามารถจะใช้บทเรียนซึ่งตัวมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้เกิดเป็นประโยชน์ในการที่จะงดเว้น ทางแห่งความเสื่อมมาประพฤติมาดำเนินในทางแห่งความเจริญได้และ น, นี่คือลักษณะที่รู้มั่นจริ ง, ร ง, รงอาการของโลภะก็จะรุนแรงสแสวงหาไม่คำนึงถึงความเท่าเทมในเรื่องของราคะก็ไม่คำนึงถึงบาปบุญขุนโทษอะไรมุ่งเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเท่า น, นั้น ถึงภาพเหล่านี้เราจะเห็นอย่างยุคโบราณที่ว่าเมื่อผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ไปจับดึงผมมาถือไม้ฟองทุกปีมาด้วยไปเห็นว่ามีทั้งโมฆะมีทั้งราคะมีทั้งโลภะที่รุนแรงและรุนแรงประสัทว์อีกายชภาพเหล่านี้ที่จริงก็คือการสะท้อน อวิชชาสะท้อนโลภะสะท้อนสโทสะออกมาเป็นรูปธปรรมเป็นพฤติกรรมเป็นการแสดงออกเราก็าศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่ต้นว่าแต่ก่อนนั้นคนเราจะโง่ก็คือยังมีวิชาอยู่ ม, มากมายในความงมงายร้ายเหตุผลในทุกๆเรื่องต่อมาเมื่อมีพัฒนาการขึ้นมามีการศึกษาเรียนรู้ขึ้นมา ความเข้าใจอะไรมากขึ้นตัวอย่างในกรณีของทุกข์สัตว์ที่ประรอบถึงความเกิดความแก่ความตายนันเป็นสภาวะทุกข์อย่างง่าก็ความจริงที่แท้จริงพระเจ้าทรงแสดงว่าขณะนั้นเป็นภาลาที่นั่แต่บุคคลก็มาแบก มาคอยคว้ามาปรารถนามายึดติดในขานห้าเหล่านั้นจนแสดงว่าการปล่อยวางขานห้าจะได้จะเป็นความจริงแต่มีข้อแม้ว่าปล่อยวางตรงนี้แล้วอย่าไปแบกตรงอื่นอีกแต่ก็จริงปรากฏว่าในกรณีของการเกิดของลูกหลาน คนจะแสดงความชื่นชมยินดีในการเกิดตัวนั้นทั้งๆ ท, ที่เด็กเหล่านั้นที่จริงกำลังไหลเข้าสู่กระแสของความทุกข์ทุกในการดำรงชีวิตทุกสารพัดที่จะเกิดขึ้นจะเกิดพอตุกทั้งหลายร้นแล้วจะสืบเนื่องมาจากความเกิดแ้งนั้นถ้าเราไม่เกิดมาทุกอย่างก็จบสิ้น แต่เราเกิดมาทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่คนซึ่งเคยอยู่ในโลกนี้มันต้องเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เราชื่นชมกับการเกิดแล้วก็เรืมาจนชื่นชมกับวันเกิดเรามีความรู้สึกคล้ายๆเราจะได้สต่ร่างนี่จริงๆแล้วมันเป็นความเสีย วัยกนชีวิตแต่ล่วงเลยผ่านไปไม่สามารถจะย้อนกลับมันมาได้เรากลับสิ้นชมบิฏิแต่พอถึงความแก่ทั้งทั้งที่สิบเนื่องมาจากความเกิดเรากลับไม่ชอบมีกรรมบิธีในการต่อต้านความแก่กันด้วยประการต่างๆสร้างความรุ่มรวยให้แก่คนซึ่งคิดในเรื่องนี้สัญญกรรมประจิ กตกแต่งร่างกายพวกน้ำมันพวกครีมพวกอะไรต่างๆสารพัดที่จะเข้ามาช่วยที่จริงแล้วเป็นการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นเพราะแก่ก็คือแก่แม้ใครจะไม่รู้ว่าเราแก่เราก็แก่ความแก่จึงไม่อยู่ที่ใครรู้หรือไม่รู้มันจะอยู่ที่ตัวความแก่ทึ่ปรากฏเหตุผล เราจะแก้ไขตรงไหนก็ได้แต่ว่าดี้แรงภาระร ก, กำลังนั้นเราไปเสริมเติมไม่ได้ก็แสดงว่าลักษณะของความแก่ก็ปรากฏอยู่แต่ใจเราไม่รับหมายความว่าไม่รับรู้ความจริงในจุดนี้จึงเดือดร้อนเความแก่งุดหงิดเพรความแก่เพื่อนถามอายุก็หน่อยปรโกฏอ่ะเราไม่อยากจะบอก บางคนรุนแรงเคร่งเครียดจนถึงกระถามยังินถามได้ห้ามถามอายุที่จริงเราจะบอกหรือไม่บอกเราก็แก่เท่านั้นตอนอายุรเราหกสิบใครจะคิดว่าเราสี่สิบห้าเราก็หกสิบเราจะบอกหรือไม่บอกเราก็หกสิบนั้นสแสดงให้เห็นว่าจุดนี้ยังมีวิชา ค, คือไม่รับรู้ความจริงคือบางสศทธ ในกรณีของความตายกลายเป็นที่ตั้งของความหวาดกลัวไม่ยอมไปเชิญหน้ากับความตายแต่บางครั้งบางคราวโดยปริยัติที่เราศึกษาแล้วเรียนมาเนี่ยเกื่อนผงญาติพี่น้องมีคนนั้นเป็นที่รักของเขาต้องตายไปเขาร้องห่มร้องให้เราเข้าไปปลุกปลอบชี้แนะอธิบายเหตุผลให้ได้หยุดย้อยสามารถเช็ดน้ำตาเขาแห้งไปได้ เราดูแล้วตรงนี้คล้ายๆกันรู้แต่รเราเห็นว่าเป็นความรู้สองระดับแรกคือความรู้ระดับของญาติปิญญาคือเรียนรู้มาระดับของปิรณาปิญญาคือพินิจพิจารณาด้วยตัวเองได้แล้วก็สอนผู้คนอื่ น, น, นได้พินิจพิจารณาได้ถามว่าเป็นความรู้จริงหรืออย่างก็บอกว่ายัาง เพราะความรู้จริงนั้นจะต้องเป็นสัมผัสตรงด้วยใจกันตัวเองหมายความเมื่อตัวเองประสบกับความเกิ ด, ก, ก, ดกับความแก่ก็ไม่เดือดร้อนเัรความแก่แต่จะเกิดสติสัมปัญยกเพิ่มปูดมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะการตื่นตัวต่อภัยอันตรายคือมรณะซึ่งกำลังรออยู่ข้างหน้าจะปรากฏตัวเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ในขั้นหนึ่งอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเห็นภัยซึ่งเกิดขึ้นจากความตายซึ่งรออ ย, ยู่ข้างหน้าก็จะทีเ่เป็นทำบุญกุศลเพราะเวลามันน้อยแล้วที่เป่งทำบุญกุศลเอาไว้ี่จะนำความสุขมาให้หมายความตรงนี้ที่จริงเขาก็รู้เป็นการรู้ระดับลงมือประพฤติปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง ลักษณะการตื่นตัวแบบพุทธพุทโธจึงเรียกว่ารู้ตื่นเบิกไปเมื่อความแก่เกิดขึ้นก็มองชีวิตคล้ายๆกับเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้ที่ทรงสอนเ็นว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้อยู่นั้นคนฉลาดจะต้องรีบเอาออกมาของมีค่าออกมาจากเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้ได้เพราะเรือนนั้นจะถูกไฟไหม้ทำลายไปแน่นอน วัตถิสัมนยยาก็ต้องดีก็ต้องรีบก่อครองโล่นนั้นออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่ออะไรเพื่อใช้ในแนวบุญที่จ่ายเป็นที่พึ่งพานักซึ่งทรงใช้กับมสิสเบียงบางครั้งก็สงใชก้กรรมเกาะเป็นสิบเบียงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของเราตรงนี้ถามมารู้จริงแล้วอย่างก็บอกว่าอย่าง เพราะอะไรเพราะทั้งหมดนั้นมีความเกี่ยวเกาะโดยภพโดยชาติต้องการความสุขในชาติหน้าต้องการบังเกิดเป็นเทพบุตรเทติดาอยู่ในสวงสวรรค์ก็แสดงว่ายังคล้องอยู่ในภพอวิชานั้นยังคงมีอยู่แล้วครอบามอยู่แต่ยิ่งบนสวงสวรรค์ที่จริงก็ยิ่งเพิ่มกิเลสให เพราะอะไรมันก็ดีงามไปทั้งหมดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะมนจะเกิดแรงและในสุดจะกำหนัดเพลิดเพลิอพอนอยู่กับสถานที่เท่านั้นลืมวันคืนเดือนปีไปเลยบานที่ยางที่ทรงแสดงถึงเหตุให้เทพบุตรเทิดาต้องจุติจากสวงสวรรค์ น, นึ่งสิ้นบุญสองสิ้นอาหารสามสิ้นอายุ สีเ พ, เพลิด เ, เพลินหลงเพลิดเพลินอยู่ในกาบมะขุณแล้วก็ห้าเนี่ยมีความโกรธหมายความว่าจิตที่เพลิดเพลินในกามคุณเนี่ยลืมสร้างความดีหรือเกิดโทสะบ่อยๆสุขภาพจิตก็เสื่อมตรงนี้เราปฏิเสธว่าเขาไม่รู้ไม่ได้แต่ว่ารู้ไม่จริง ก็ยังไม่สามารถเอาตัวรอดจากความทุกได้เป็นการหยุดเป็นการสงบความทุกข์ไว้สู่เราเมืความตายที่จะพิสูจน์ว่าเรารู้จริงหรือไม่มันก็ต้องดูเมื่อเกิดขึ้นแก่คนนั้นเป็นที่รักของเราหรือคนที่เราไม่ชอบแรงๆไม่พอมารักมากๆแล้วโกรธมากๆ แล้วคนเหล่า น, นั้นเกิดตายไปถามว่าใจเป็นยังไงใจจะต้องดูใจจะต้องสรวจสอบใจว่าใจว่าเธอคิดยังไงคนเป็นที่รักมากๆนี่เธอคิดยังไงจำนวนศาสนาทานี้ปรึกษาการักชกายคือถามเธอถามตัวเองแลว้วก็หาคำตอบมาได้ถ้าเราเศ้าโศก แสดงความเศร้าโศกเสียใจหมายความว่ายัางไงหมายความว่าอย่างรู้ไม่จกีงเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับรู้สัจจะของชีวิตว่าทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องตายความตายเป็นธรรมดาเป็นเอวังทำโวยวังภาวีวังอนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วงพนความเป็นอย่างนี้ไปได้คนตายก็คือตาย ให้ลองสังเกตเมื่อภาษารีบุตรนิพพานพระอนุ์นั้นแม้จะเป็นพระบุคคลแต่ยังอยู่ในระดับที่รู้ไม่หมดคือรู้จริงในบางจุดเพราะเป็นแค่พระโสดาบัยกรรมราคะยังไม่ได้ถูกละไปปฏิฆะยังไม่ได้ถูกละไปภาษารีบุตรนิพพานหรือแม้แต่พระเจ้านิพพานของพบ ว, ว่าพระอนุลร้องให้ ตอนราให้ไม่ใช่เบาๆตอนพระพุทธเจ้าผ่านเนี่ยพระานนท์ก่อนพระพุทธเจ้าอันินิพพานนิดหน่อยท่ยนานร้องห้ถ้าดูตอนนั้นพระณน์นอายุเท่าไหร่แล้วเราว่าแปดสิบบวชมากี่พรรษาแล้วก็สี่สิบปีบวชมาสี่สิบปีมีอายุแปดสิบปีเป็นพระยะบุคคลระดับโสดา บ, บันก็รู้ทําลายกิเลสได้ระดับ แต่เพราะกิเลยเป็นเหุเศ้าโศกอย่างไม่ถูกระ ง, งับไปเพราะงั้นท่านก็โศกท่านก็เสียใจพระพุทธเจ้ารับสั่งให้สติยังไงในกรณีที่ภาษาริบุตรนิพพานพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอาน์สาริบุตรก็จะไปเฉพาะแต่ร่างกายเท่านั้นเองแต่ว่ัรมะทั้งหลายที่สลิบุตรประพฤปฏิบัติและสั่งสอนนั้นก็คงไม่อยู่ในโลกนี้ ธรรมะนันไม่ได้หายไปไหนเพราะจึงไม่อยู่ที่สาบุตจูหรือสาริบุตรตายเพราะจริงๆพระสาริบุตรท่านก็ไม่ได้สามารถที่เป่าเสกให้คนเป็นยังไงได้คนนั้นจะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมมาพอตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยพระ น, นร้องให้ พระเจ้ารับสั่งเตือนให้สติว่าไม่ต้องร้องไห้ใจใจร่างกายมันก็ไปธรรมดายอย่างนี้แต่พอพระอานนลย์ยอมรับตรงนี้ถ้าเกิดเป็น่วงเป็นใหญ่พระท่านจะไปถึงนิพพานหรือเปล่าเพาะตอนที่ยังเป็นพระโสดาบันอยู่พระเจ้าก็ต้องรับสั่งให้ความหวงังว่าเธอไม่ต้องปริวิตรกังวลหรอกเธอในะทําบุญไว้มากอีกไม่เท่าไหร่ก็จะบรรลุมผาผลนิพพานทำที่สุดแห่งทุกได้แล้ว มันก็ก่อให้เกิดความหวังก่อให้เกิดความหวังว่าท่านจะบรรลุมรคนแต่ถ้ามองกลับอีกเที่ยวหนึ่งว่าตอนหลังจากถวายพระเพลิงอุทธสุริระแล้วพระนรนเดินทางแยกจากพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาที่ประเชตะวันประชาชนทั้งหลายพอเห็นพระนรินมันก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้า สอบถามพระนน์เอาพระพุทเจ้าไปทิ้งที่ไหนพรุเจ้าไปทิ้งที่ไหนเสืยร้องห่มร้องไห้กันเป็นการใหญ่บางตอนพระนรน์ก็ร้อยตามไปก็เด้วยบตอนทัาน ต, ตั้งหลักได้ท่านก็เทศนาสั่งสอนลุกปลอบไปเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมสังเวชหมายความมายอมรับความจริงในแง่ของธรรมดาซึ่งแสดงเห็นว่า มันไปอยู่ในวงแวดแวดวงของคนที่ร้องให้มันกรั้งบางทีก็เอาไมา่อยู่เหมือนกันก็คอยร้องไห้กับเขาไปด้วยนี่คือลักษณะของจิตที่มันละได้อะไรมาเยอะแล้วแต่อวิชายังไม่ถูกลากไปเพราะเราจึงเลีานะการของกิเลสบางระดับปรากฏอยู่ในการกระทำของท่านเห่า น, นั้นนั้นอวิชชาในเรื่องเหล่านี้ เวลาอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดคนที่เราไม่ชอบตายไปก็จะมองในแง่สังขารเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาจะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปเดีอดีใจอะไรเพราะดีใจหรือเสียใจเขาก็ตายแล้วคนเดีรักตายไปถึงเสียใจเขาก็ตายแล้วเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมา คนนี้เราไม่ชอบตายไปไหนเราจะดีใจเขาก็ไม่หลฟื้นขึ้นมาหรือว่าเขาไม่หลุดรอดจากความทุกข์ไปแต่เขายังมีกิเลสอยู่ปัญจมันจะมัตยยัดอยู่ตรงกลางคือวางใจเป็นอุเบกขาพิจารณาไปตามกฎของกรรมตามกฎของสภาวธรรมอะไรสิ่งที่ทรงสอนให้คิดให้นึก เวลาประสบกับทุ์พวกสภาวะทุกข์เกิดแก่ตายเดียวจะพอตายมังแก่เจ็บก็จริงๆลักษณะเดียวกันก็คือในยะของพระพุทธธรรมรัตที่ตัดไว้หลายครั้งและท้าวส ก, กะเทวราชก็มากล่าวมาตอนพระจ้นนิพพานเป็นคาถาที่ใช้บังสกุล ข, ของพระในปัจจุบัน ตอนพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้สามารถจะลดความยินดียินร้ายอยู่หน้าก็ราคาโทษสัตว์เราเห็นว่าความยินดียินร้ายนั้นเป็นเรื่องที่แปลกบางสี่สิ่งที่เราอยากได้นะมันไม่ใช่เกิดโลภะเสมอไปบางทีมันเกิดโทษสัต์ ปรากฏเราพ อ, พอเขาให้ก็จริงนี่เราไม่ชอบสีไม่ชอบรูปร่างมันมีรอยตำหนิอะไรอะไรเราเกิดโทสะไปแล้วก็แสดงว่าจิตใจนั้นเอานิยายอะไรไม่ค่อยได้เพราะพอมาถึงจุดนี้ท่านจะสอนในแนวที่ไม่เกิดอาการของยินดีและยินร้ายเวลากระทบกับอารมณ์ทั้งหลายที่ังเกิดขึ้น เคตายก็ได้เรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีคาถาสำคัญอยู่สองคาถาเจ้าใช้แพ่หลายกันมากเขาเรียกคาถามหาบางสกุลเป็นมหาบางสกุลตายโดยการพยายามฝึกปรือใจให้คิดได้คิดได้คิดปรับจิตให้ยอมรับสภาพความจริง แม้จะไม่ถึงทําลายวิชาหมดก็ตามแต่ว่าไม่ถึงก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งอันเป็นดีรักด้วยคนอันเป็นที่รักต้องตายไปไม่ต้องแสดงความดีอกดีใจเมื่อคนที่เราไม่โชคไมไม่ชอบต้องตายไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในตอนแรกนั้นทรงสอนว่าทรงสอนให้ดูว่าร่างกายเรานี้ไม่นานหนอจกล้มลงเหนือแผ่นดิน วิญญาณออกไปจากร่างแล้วก็มีค่าถ้ากรท่อนไม้กลิ้งไปกริ้งมาหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อขจัดอวิชชาความหลงติดความมโมมเประมาทคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อันนั้นของเราของเราของเราที่พระเจ้าทรงชายก็มาบ่นเพอ้อไปไเพ้อเพราะจริงของเรามันไม่มีแม้ตัวเราจริงๆยังไม่มี และในส่วนที่ทรงสอนให้บุมองดูเพื่อลดอวิชชาจะน้อยอยู่ในสภาพรับรูบร้เวลาเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งเป็นที่รัได้รับรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแก่เรารู้เท่ารู้ทั น, นจนจิตใจนั้นตั้งมัน่นไม่แบ่งไม่หวั่นไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธรรมดาเรานั้น ทั้สอนว่าอนิจจาวัต ส, สังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปัฏฐายธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วที่จิงก็มีการตั้งอยู่ตามธรรมดามีการดับไปตามธรรมดามันเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้ผลตกแดดออกมันมีเงื่อนไขปัจจัยมันตกมันออก ม, น ก, กมันก็ตกมันก็ออกแต่พรอหมดเหตุ ปัะเ จ, จหมดเรื่องไขมันก็ดับอุปจิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเท่าไรมันก็ดับไปเท่านั้นเป็นการเกิดดับอยู่ทุกขณะทยอยกันเป็นขึ้นเป็นกระแสไฟกระแสน้ำกระแสลมค้ใจที่มีวิชาคือความรู้ในดับต่าง มันจะสงบระ ง, งับในสัตว์สังขารทั้งหลายเหล่านั้นพะเข้าถึงธรรมดาที่สรงใชก้กรราเตสังมูปสมูสุสขโขจิตที่สงบระ ง, งับในสัตว์สังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นความสุขหมายวความว่าศักว์แต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความยินดีและความยินร้ายขึ้นภายในใจมันเหมือนกับเราไปเห็นเด็ก แกทำคล้องแตกร้องหม่มร้องไห้ตุ๊กตาหายร้องหม่มร้องไห้เราก็ไม่ร้องไห้ตามไปแต่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแกเด็กเหล่านั้นได้ด้วยเพราะในความเป็นโลกความเป็นสัตว์เป็นสิ่งทั้งหลายมันเป็นที่อยู่ของคนประเภทรู้กับไม่รู้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ รู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดแต่ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแกผ่ผู้รู้เพราะผู้รู้จะอยู่ในโลกนี้อย่างรู้เท่ารู้ทันตามความจริงอย่างที่พระเจ้ารับสั่งเตือนให้คนทั้งหลายมองดูโลกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุราชรุที่พวกคนเขาก็คล่องอยู่ มาความวาสตรใดที่ยังมีวิชาอยู่สตรบนั้นต้องคล่องอยู่ในโลกนี้คลองมากคองน้อยก็เป็นอีกเรื่องนึ้งแต่ว่าผู้รู้ก็อยู่ในโลกนี้เหมือนกันต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป